วันนี้เป็นวันเสาที่ห้าในสายนพุทธศักราชสอง8้าเป็นวันพระวันธรรมสวรนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่ง ความเป็นมงคลนี้เกิดจากการที่มีการกระทาที่เป็นมงคลนั่นก็คือการได้ฟังเทศฟังธรรมตามโอกาสและการสนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งตามหลักของพระสูตร คือมงคลระสุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังกาลมุตตะมังการฟังธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งและกาเลนะธรรมะสักชาเอตัมังกาลมุตตะมัง การสนทนาธรรมตามโอกาสอันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่ก็คือเรื่องของวันพระเรื่องของการมาทำในสิ่งที่เป็นศิริมมงคลแก่จิตใจมงคลอันนี้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ มีอยู่หประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆในธรรม ให้หมดสิ้นไปได้สจะทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟัง ว่าฟังแบบไหนฟังอย่างไร <c oughs> การที่จะทำให้เกิดอนิสงส์เหล่านี้เกิดขึ้นมาการที่จะทำให้เป็นมงคลจากการได้ยินได้ฟังทำการฟังก็จำเป็นที่จะต้องมีกายวาจาใจาที่สงบคือร่างกายก็ต้องตั้งอยู่ในความนิ่งสงบไม่มีการเคลื่อนไหว การกระทำอะไรต่างๆบางท่านอาจจะคิดว่าทำงานไปเปิดธรรมะฟังไปด้วยจะได้ประโยชน์ความจริงก็ได้ประโยชน์เองแต่จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เต็มร้อยเพราะว่าขณะที่ทำงานไปฟังธรรมไปก็มีการต้องพลิกไปพลิกมา คือใจต้องให้ความสนใจกับงานด้วยให้ความสนใจกับทำที่ฟังด้วยต้องแบ่งกันไปแบ่คนละครึ่งประโยชก็อาจจะได้เพียงครึ่งเดียวถ้าเปรียบเทียบกับการฟังทมแบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลย mm. เช่นในขณะนี้นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไร ใจก็สามารถที่จะติดตามการฟังไปได้อย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องของความสงบทางกายเวลาฟังธรรมถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ต้องฟังด้วยการให้ร่างกายอยู่ในความสงบไม่ควรที่จะไปทำอะไรนะ การสงบวาจาก็เช่นเดียวกันเวลาฟังธรรมก็ไม่ควรที่จะพูดคุยกันเพราะถ้าพูดคุยกันใจก็ไม่ได้อยู่ที่การฟังธรรมหรืออาจจะอยู่บ้างแล้วก็แบ่งไปให้กับการคุยกันบ้างก็เป็นแบบเดียวกับการทำงานฟังธรรมไปฟังธรรมไปคุยกันไปก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ ก็ไม่ได้จดจอ่ออยู่การฟังธรรมอย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะฟังธรรมให้เกิดอ น, นิสงส์เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ควรที่จะนั่งอยู่ในความสงบไม่พูดไม่คุยกันนะนี่เรียกว่าสงบวาจาแล้วก็สงบใจก็คือใจก็ควรที่จะตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ควรปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ให้ผูกใจไว้ให้อยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูใช้สติคอยดึงใจให้อยู่กับการฟังอย่างเดียวขณะที่ฟังธรรมจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออก ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไม่จาเป็นต้องสวดมนต์ไปพังๆเพราะว่าเรามีเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนเราควรใช้เสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์ผูกใจไว้อย่าไปให้อย่าไปใช้อย่างอื่นเพราะมันจะชนกันถ้าเราฟังธรรมไปแล้วเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไป มันก็จะเหมือนกับเวลาที่เราทํางานไปฟังธรรมไปแล้วพูดคุยกันไปใจเราก็ต้องอยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปอยู่กับหลายเรื่องไม่จําเป็นที่จะต้องพุโทโธในขณะที่ฟังธรรมไม่จําเป็นที่จะต้องดูลมหายใจเข้าออกไม่จําเป็นที่จะต้องสวดมนต์ให้ใจอยู่กับเสียงธรรมแทนเป็นอารมณ์แทน เพื่อเราจะได้เข้าออเข้าใจธรรมที่เราฟังมาเพื่อที่เราจะได้เกิดอนิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมเกิด ม, มีเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาหรือจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องธรรมต่างๆได้และจะทำให้ใจเราสงบ มีความสุขการฟังธรรมจึงเป็นเหมือนการนั่งสมาธิไปในตัวแต่ไม่ต้องใช้อารมณ์อย่างอื่นมาให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมโดยเราเรานั่งสมาธิเราต้องมีอารมณ์ใจอารมณ์หนึ่งคอยกํากับคอยควบคุมใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปลอยมา เพาถ้าไม่มีสติไม่มีอารมณ์ถูกใจเอาไว้เดี๋ยวใจก็นั่งไปก็ไม่สงบจะเกิดความคิดฟุง้งซ่านต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเรานั่งสมาธิโดยไม่ได้ฟังธรรมเราต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้คําบรากรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้ถ้าเราไม่สามารถ ให้ใจอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจได้เราก็จะต้องใช้การสวดมนต์ไปพังๆก่อนก็ได้พอาบางทีใจเราคิดมากฟุ้งมากให้อยู่กับพุโทโธก็ไม่ยอมอยู่ให้ดูลมหายใจก็ไม่ยอมดูจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดึงใจมาให้คิดกับบทสวดมนต์แทนขณะที่เราสวดเราก็อยู่ในท่านั่งสมาธินี่แหละ ไม่ต้องไม่ต้องลืมตานั่งพระเพียระนมมือแต่อย่างใดใช้บทสวดมนต์เป็นอารมณ์แทนพุทโธหรือแทนการดูลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ใจของเรานิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นมาอั น, านนี้ก็คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เกิดเป็นมงคลขึ้นมาก็คือเกิดอนิสง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างใน5้าอ น, นิสงส์ด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสาจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องธรรมต่างๆได้สี่ จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิและห้าจะทำให้จิตใจของเราสงบผ่องใสมีความสุข <c oughs> การฟังธรรมนี้ <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้สัมมาทิฏฐิ <c oughs> คือการได้ปัญญาความเห็นชอบความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้อง เช่นมีความเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้มีจริง<ม>พวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว<ม>ใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพวกเรานี้เป็นธาตุรู้เป็นที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วจะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ ก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้กระทาไว้ในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เช่นในขณะนี้พวกเราทุกคนสามารถทำบุญได้หรือทำบาปก็ได้แต่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วตอนนั้นเราทำบุญไม่ได้เราทำบาปไม่ได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไปรับผลบุญผลบาป ดังนั้นถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเห็นว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้จะกลายเป็นดวงวิญญาณจะเป็นดวงวิญญาณหลายหลายหลายแบบหลายชนิดด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำกันในขณะนี้ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆ ละบุญของเรานี้มีสะสมไว้ในใจเรามากกว่าบาปเวลาร่างกายตายไปบุญนี้จะมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้แสดงผลก่อนบุญก็จะส่งให้ดวงวิญญาณให้ใจที่กลายเป็นดวงวิญญาณนี้ไปอยู่ในสุขคติไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ถ้าเราทำบาปไว้มากกว่าบุญเวลาที่ร่างกายตายไปบาปนี้มันก็จะเป็นผู้มีกําลังมากกว่ามันก็จะแสดงผลให้แก่ดวงวิญญาณทําให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเราก็เรียกว่าเป็นการไปอยู่ในอบาย ถ้าทุกด้วยความหิวโหยเราก็เรียกว่าเปรตถ้าทุกด้วยความกลัวเราก็เรียกว่าอสูรกายถ้าทุกด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็เรียกว่านรกถ้าทุก์ด้วยความหลงไม่รู้ขุนไม่รู้โทษไม่รู้บุญรือบาปทำบาปไปเพื่อเพื่อเลี้ยงชีพของตนเอง ก็จะไปเป็นเดรัฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัฉานนี่คือเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เราก็เลยอาจจะมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นที่ไม่ตรงหลักกับความเป็นจริงเช่นเห็นว่า เมื่อร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบลงที่เรียกว่าทฤษฎีตายแล้วตายแล้วสูญเพราะว่าเป็นความเห็นที่เห็นเห็นว่าชีวิตของพวกเรานี้มันมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นก็คือเห็นว่ามีร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วก็กลายเป็นดินน้ำนมไฟไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไป เอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปแล้วใครเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ตายไปแล้วใครจะไปสวรรค์ใครจะไปอบายอันนี้เมื่อไม่เห็นว่ามีใครถ้าคิดว่าชีวิตมีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียวก็เกิดความเห็นว่าตายลดสูงตายแล้วก็จบ บุญหรือบาปความดีความเชื่อที่ได้ทำไว้ก็จบลงที่ความตายของร่างกายถ้าจะรับผลของบุญหรือบาปหรือความดีหรือความชั่วก็ในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เช่นทําความดีก็อาจจะได้รับรางวัลได้รับการสรรเสริญยกย่องเยือนยอถ้าทำความชั่วก็อาจจะถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตาราง แต่ก็ไม่แน่นอนไม่เสมอไปเพราะว่าคนทําดีแล้วไม่ได้รับการยกย่องก็มีเยอะแยะไปไม่ได้รับรางวลัลไม่ได้รับความเจริญในราบยศสารเสริญสุขก็มีแล้วก็คนที่ทําบุญแล้วได้รับการยกย่องสารเสริญก็มีมได้รับความเจริญในราบยศสารเสริญสุขก็มีเช่<ม>นเดียวกับคนที่ทําชั่วไม่ต้องไปรับโทษก็มีม ไปรับโทษก็มีเพราะว่าผลที่ร่างกายจะต้องรับนี้มันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำบาปโดยตรงอันนี้เป็นผลที่เรียกว่าผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะทำให้เกิดผลกับร่างกายบางทีทำบาปแล้ว ก็หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถูกจับก็อาจจะใช้เงินใช้อะไรซื้อให้เป็นผิดให้กลายเป็นถูกได้เป็นต้นอันนี้มีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหล่านี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นผลของบุญหรือผลของแบบโดยแท้จริงถ้าคนไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้เรื่องจิตใจไม่รู้เรื่องของดวงวิญญาณ ก็จะคิดว่าชีวิตของเรามีแค่ถ้าจะรับโชษรับโทษหรือรับผลบุญก็ในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ถ้าหลังจากร่างกายตายไปแล้วผลของบุญหรือผลของบาปก็จะหมดไปเพราะว่าไม่มีใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเพราะเห็นว่าผู้ที่ จะไปรับก็คือร่างกายนั้นได้ตายไปแล้วเท่านั้นเองนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดความเห็นที่ไม่ตรงหลักกับความเป็นจริงเพราะตามหลักความเป็นจริงนี้ชีวิตของเรานี้มีสองส่วนด้วยกันมีส่วนที่เรามองเห็นและส่วนที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เรามองเห็นก็คือร่างกายของเราเราเห็นร่างกายของเราทุกคน แต่เราไม่เห็นคนที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆคือใจคนที่คิดคนที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้คือใจเป็นมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราก็เลยมองไม่เห็นใจเราก็เลยไปคิดว่าเรามีเพียงร่างกายแล้วความรู้สึกนึกคิดก็มาจากร่างกาย ก่าั่งกายตายไปเราก็สูญไปแต่ความจริงเราไม่สูญเราผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆด้วยความคิดของเรานี้ไม่ได้สูญและเรานี่แหละเป็นผู้รับความสุขและความทุกข์จากการทำาทํบบุญหรือทําบาปของเราถ้าเราสังเกตเวลาเราทําบุญทําความดีใจของเราจะมีความสุขขึ้นมา ถ้าเราทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเป็นผู้รับผลการทำความดีหรือการทำบาปของเราร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ทำดีร่างกายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำบาปร่างกายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ที่เปลี่ยนแปลงผู้ที่รับผลทันที ก็คือใจของพวกเราเวลาเราทำดีนี่เราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจที่เวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครหรือ ไ, ได้ทดแทนบุญคุณให้กับใครแสดงความกตัญญูกตวเวทีของเราให้กับผู้มีพระคุณทำบุญกับพ่อกับแม่ทำความดีกับพ่อกับแม่ทำบุญกับผู้มีพระคุณทั้งหลายเราก็จะเกิดความสุขใจอห็นใจขึ้นมา อันนี้ผลไม่ได้เกิดที่ร่างกายร่างกายก็ยังเป็นเหมือนเดิมร่างกายไม่สบายมันก็ยังไม่สบายอยู่ร่างกายสบายมันก็สบายอยู่การทำบุญหรือการทำบาปนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสถานภาพของร่างกายที่เป็นอยู่ในขณะนั้นบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรีบทำบุญเพื่อจะได้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทาบุญมันก็ไม่หาย ทำบาปมันก็ไม่หายเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันมันผลบุญผลบาปนี้เกิดจากเกิดที่ใจและผู้ที่ทำบุญและทำบาปก็คือใจผ่านทางร่างกายใจต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบุญหรือทำบาปเวลาเราจะมาทาบุญที่วัดเราก็ต้องสั่งให้ร่างกายออกเดินทางมา ให้ร่างกายไปซื้อข้าวซื้อของท ต, ต่างๆมาทำบุญแต่ร่างกายนี้เขาไม่รู้เรื่องว่าเข า, า, ากำลังทำอะไรเขาเป็นเหมือนรถยนต์ที่คนขับบอกอให้ขับไปทางถนนนั้นถนนนี้รถยนต์ไม่รู้ว่าเขาวิ่งอยู่บนถนนไหนคนที่รู้ก็คือคนขับฉันใดใจที่สั่งให้ร่างกายไปซื้อข้าวซื้อของเพื่อที่จะามาทำบุญที่วัด ก็คือก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขากําลังไปซื้อข้าวซื้อของมาให้ให้กับใจนั้นผลผลจะไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายผลเกิดขึ้นที่ใจเวลาที่เราได้ทําบุญใจเราจะมีความสุขแต่ร่างกายของเราก็จะคงเดิมอยู่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถ้า สุขถ้าไม่เป็นใข้ได้ป่วยมันก็จะไม่เจ็บใข้ได้ป่วยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการทําบุญหรือทําบาปแต่อย่างใดเพราะใจเพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลของการทําบุญหรือทําบาปนี่ผู้ที่รับผลของการทําบุญทําบาปก็คือใจคือรับผลด้วยความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่ใจขึ้นมาอันนี้แหละถ้าเราสังเกตเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเข้าใจเริ่มสามารถ เห็ในใจของเราขึ้นมาตามลำดับได้เว่าเราทำบุญใจเรารู้สึกเย็นสบาย อ, อิ่มเอิบใจเนี่ยร่างกายเหมือนเดิมถ้าร่างกายหิวก็ยังหิวเหมือนเดิมอยู่ร่างกายอิ่มก็ยังอิ่มเหมือนเดิมอยู่การทำบุญไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสถานภาพของร่างกายแต่อย่างใดเพียงแต่มาเปลี่ยนสถานภาพของใจใจที่รู้สึกเฉยๆก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันที เวลาที่ได้ทำบุญได้ทำความดีต่างๆหรือถ้าเวลาไปทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีใจที่รู้สึกเฉยๆก็จะกลายเป็นใจที่ทุกชร้นขึ้นมา ท, าทันทีวิตกกังวลหวาดระแวงหวาดกลัวต่างๆขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักแยกเยะ เราก็า จ, จะเหมาทุกอย่างว่าอยู่ในร่างกายเป็นหมด<อ>เวลาเราทำดีเรามีความสุขเราก็ความสุขคิดว่าอยู่ที่ร่างกายเวลาเราทำไม่ดีเราก็ไปคิดว่าความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเรื่องของการทาบุญเรื่องของการทำบาปนี้ผลมันอยู่ที่ใจเพราะว่าผู้ที่กระทำก็คือใจในี่ใจเป็นผู้ คิดขึ้นมาก่อนวนะ่าคิดว่าวันนี้จะมาทำบุญพ อ, อคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปทำตามคำสั่งต่ทำบุญก็ต้องมีข้าวมีของอะไรต่างๆก็ต้องไปเสียไปเสียเงินไปซื้อข้าวซื้อของมาเมื่อได้ซื้อของเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็ให้ออกเดินทางเอาข้าวเอาของต่างๆมาทำบุญที่วัดร่างกายไม่รู้เรื่องอะไร ร่างกายเป็นเพียงเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ทําตามคําสั่งของคนขับรถคนขับรถบอกให้วิ่งไปทางหน้าก็วิ่งไป้างหน้าถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปแต่รถยนต์ไม่รู้ว่ามันไปไปไ ป, ไปไหนอยู่ที่ไหนผู้ที่รู้ก็คือคนขับรถอัในใดเวลาทําบุญหรือทําบาสร่างกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําบุญหรือทําบาปผู้ที่รู้ก็คือใจอ ผลจึงเกิดที่ใจเพราะใจเป็นผู้รู้รู้ว่าตอนนี้กำลังทาบาปมีโทษตามมาเวลาทาบาปแล้วเราก็มักจะต้องถูกจับไปลงโทษกันความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาทันทีหรือถึงแม้่จะไม่ถูกจับไปลงโทษแต่ความรู้สึกที่ว่าเราไปทำร้ายผู้อืน่นนี้มันก็ทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีเพราะใจเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาทำร้ายตัวเรา응 ในเวลาเราไปทําร้ายคนอื่นแล้วพอเราได้สติมาคิดในภายหลังก็รู้สึกเสียใจเศร้าใจขึ้นมาอันนี้คือใจใจที่เรามองไม่เห็นกันเพราะใจเป็นนามธรรมาไม่เหมือนกับร่างกายที่เป็นรูปธรรมร่างกายเป็นรูปธรรม ท, ที่ประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างอาการสามสิบสองให้ปรากฏขึ้นมาเป็นร่างกาย คือสร้างผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันนี้เป็นร่างกายที่ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้ใจที่มีความสามารถมีความรู้สึกนึกคิดนี่เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายอีกทีหนึ่งหลังจากที่ร่างกายได้ปฏิสนธิขึ้นมาในครรภของแม่ใจที่ไม่ใจที่ต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ก็จะมาครอบครองด้วยการส่งกระแสของใจเรียกว่าวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายแล้วพอร่างกายจเจริญเติบโตก็สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจเหตุที่ทําให้ใจยังต้องมาครอบครองร่างกายอยู่เพราะใจมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆ ที่ใจเองไม่มีใจนี้ไม่มีรูปไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายที่จะไปใช้ในการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อเอามาเสพสุขนี่ใจก็เลยต้องอาศัยร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภาพชนิดต่างๆแล้วใจก็จะได้มีความสุขจากการได้เสพ การบุคคลทั้งห้านี้นี่คือสาเหตุที่ทําให้ใจนี้มาครอบครองร่างกายกันมาเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะสาเหตุนี้เพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวได้ร่างกายมานี้มันก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากพอร่างกายตายไปใจที่มีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดนี้ ก็ยังต้องไปหาร่างกายใหม่ต่อไปเพราะความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิน่นรสนี้มันไม่มีวันหมดไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอต่อให้เราได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสกี่ร้อยกี่พันข้างกี่ล้านข้างก็ต่างมันก็ไม่สามารถทำให้ใจเกิดความอิ่มเพมเกิดความพอได้แต่มันกลับจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือสาเหตุที่ทาให้ใจ ของพวกเราแต่ละดวงนี้มาครอบครองร่างกายกัน<ม>เพื่อใช้ร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้<ม>ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว<ม>ใจใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญมาเสพกัน<ม><ม>เพราะว่าใจอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาใจไม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแล้วจะมีความนู่งสริงดเย็น เ้าซ้อยหงอยเหงาว้าวเวบางทีก็ถึงกับถึงกับซึมเศร้าถึงกั บ, กบไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อยากจะฆ่าตัวตายกันก็นี้เพราะใจอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีรูปเสียงกิจลดมาให้เสพอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับร่างกายนี้ต้องมีลมหายใจให้หายใจอยู่เรื่อยๆ ถ้าร่างกายขาดลมหายใจเมื่อไหร่ร่างกายก็ตายทันทีใจที่ขาดการเสพรูปเสียงกลิ่นรต่างๆอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เป็นใจที่เศร้าหมองเป็นใจที่ซึมเศร้าได้เป็นใจที่ไม่มีความสุขเป็นใจที่หิวโหยขึ้นมานี่แหละที่เราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอันนี้ผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้น<ม>ผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเปลี่ยนร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆก็คือใจพอร่่งกายอันนี้ที่เรามีอยู่พอมันถึงเวลาที่จะตั้งตายไปใจที่ยังมีความหิวมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็จะมุ่งไปหาร่างกายอันใหม่ แต่ก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ได้ก็ต้องผ่านด่านสวรรค์หรือผ่านแานอบายหรือนรกก่อนเพราะว่าเรามีบุญหรือมีบาปติดไปกับใจเราด้วยถ้าเป็นบุญมากกว่า บ, บาปเราก็ไปติดอยู่ในสวรรค์ก่อนไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนจนกว่า บ, บุญที่เราทําไว้มัน <c oughs> หมดกาลังที่จะดึงให้เราไปอยู่ในสวรรค์ เราถึงจะได้มาลอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ในทางคนทา ง, ทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีมบมีบาปสะสมไวมากกว่า บ, บุญบาปก็จะมีกำลังมากกว่า บ, บุญบาปก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปเกิดในอบายเป็นดวงวิญญาณในรูปแบบต่างๆถ้าหิวโหยเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เป็นเปรตเปรตนี้เกิดจากอะไร เกิดจากการทำบาปด้วยความโลภด้วยความอยากด้วยความหิวโหยนี่ทำเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอโกงมาโกงเงินมาได้ร้อยล้านก็ไม่พอได้พันล้านก็ไม่พอยิ่งโกงมันก็ยิ่งหิวยิ่งอยากพอเวลาตายไปมันโกงไม่ได้มันไม่มีเงินให้โกงอยู่ในโลกทิพย์นี่ไม่มีเงินให้โก ง, โก ม, ม, ง, โกงมันก็จะอยู่แบบหิวโหยดวงนอย่ญญางที่หิวโหยนี่เราเรียกว่าเปรต ดวงวิญญาณที่กลัวก็เรียกว่าอสุรกายพวกนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มักจะ ก, กลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้ก็มักแฉพยายามทําร้ายเขาเพื่อป้องกันเพื่อดับความกลัวของตนแต่ความกลัวมันก็ไม่หายไปพอเจออะไรขึ้นมาก็กลัวขึ้นมาอยู่เรื่อยความกลัวนี้มันก็จะติดไปกับใจ ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวดวงวิญญาณนี้เราก็เรียกว่าอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความแค้นด้วยความโกรธเกลียดตาต่อตาฟันต่อฟันลั่งแค้นกันไปล้่งแค้นกันมามก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทเผาผลาญจิตใจ เราเรียกว่านรกผู้ที่ทำบาปด้วยความมาคาาพยาบาทนี้ก็จะไปนรกผู้ที่ทาบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายผู้ที่ทาบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตผู้ที่ทาบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปก็คือพวกสัตว์เดราจฉานพวกสัตว์เดราฉานเขาไม่รู้ว่าการการกินอยู่ของเขานี่เป็นการสร้างบาป เพราะเขากินอยู่ด้วยการฆ่าสัตว์ที่เล็ ก, กว่าเขาเป็นการเลี้ยงชีพเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นทำในในการที่เขาจะต้องอยู่ได้เขาก็ต้องฆ่าสัตว์อื่นมากิน อ, อันนี้ถ้าเป็นมนุษย์แล้วทำอาชีพที่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่การไปเกิด ในสวรรค์ก็ดีในอบายก็ดีมันก็มีวันที่จะหมดลงพอหมดลงก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่เมื่อเกิดใหม่เพื่อที่จะไดเอาร่างกายมาทำตามความอยากใหม่ต่อไปก็จะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพระพุธเจ้าบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา การที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้นับจำนวนครั้งด้วยตัวเลขไม่ได้เพราะมันมีจํานวนมากมายกไกลกองถ้าอยากจะรู้ว่าจํานวนการมีร่างกายที่มาเกิดในโลกนี้ ม, มีกี่ร่างกายนี้ก็ให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพนี่ยทุกครั้งที่เรามาเกิดนี่เราบ่อยต้องเจอกับความเศร้าโศกเสียใจ เราก็จะร้องไห้กันอภิษฎเจ้า บ, บอกว่าน้ําตาที่เราร้องไห้ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันนี่มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าจํานวนการเกิดของร่างกายนี้ต้องมีร่างกายกี่ ก, กี่ล้านร่างกายด้วยกันถึงจะสามารถมีน้ําตาให้มีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร นี่แหละคือปริมาณของความทุกข์ที่พวกเราต้องเจอกันในการที่เรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทาพัชชนิดต่างๆเราก็ต้องมามีร่างกายมาครอบครองร่างกายแล้วก็มาเศร้าโศงเสียใจมาทุกข์กับร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปเวลาที่ เราต้องพัดภาคจากคนที่เรารักไปหรือไปเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนากันเราก็มักจะหลั่งน้ำตากันไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้แลวเราก็จะไปเห็นเราก็จะไปมีมิจฉาทิจจิความเห็นผิดเพราะเราเห็นเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวของชีวิต เราก็คิดว่าเมื่อร่างกายจบชีวิตก็สิ้นสุดลงออืไม่มีผลอะไรที่จะตามมาต่อไปไม่มีใครไปรับผลบุญไม่มีใครไปรับผลบาปพอมองไม่เห็นใจไม่รู้ว่าใจนี้เป็นเป็นเหมือนร่างกายทิพย์ที่ไม่ใช่ร่างกายหยาบคือร่างกายที่ทํามาจากธาตุสี่แล้วมองไม่เห็นร่างกายทิพย์ของเราเราก็เลยไปคิดว่า เรามีเพียงแต่ร่างกายอยาบพอร่างกายอยาบนี้ตายไปแล้วทุกอย่างก็จบลงเราก็หายไปเราไม่หายเราอยู่ที่ร่างกายที่ร่างกายที่นี้ไม่มีวันตายแต่ยังต้องไปเกิดใหม่อยู่เพราะยังมีความอยากใช้ร่างกายอยาบเป็นเครื่องมืออยู่และต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ต่อไป ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องไปชำระใจให้สะอาดกําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปความอยากเสพร่างกายความอยากเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องตัดมันไปให้ได้ต้องเลิกมันให้ได้การที่จะเลิกมันได้ก็ต้องไปเป็นนักบวชไปถือศีลศีลของนักบวชนี่ย คนที่บวชจะรู้ว่าเป็นนักบวชต้องทำอย่างไรบ้างเป็นนักบวชนี่ไม่ให้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงจิตลดต่างๆให้ให้หาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้เราคือใจของเราที่เป็นใจทิพย์ร่างกายทิพย์นี้ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกับร่างกายหยาบอีกต่อไปเราต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้นี่คือความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วที่ไปของเราก็มีอยู่สามทางด้วยกันเราจะไปอบายก็ได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไปสวรรค์ก็ได้ แทั้งสวรรค์และทั้งอบาบนี้จะนำไปสู่ให้เราไปเกิดใหม่อี ก, อกครั้งหนึ่งยังไปเกิดใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราได้รับผลบุญผลบาปแล้วใจของเราก็จะไปได้รับร่างกายใหม่มาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราชนระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ เราก็จะไปนิพพานกันไปที่จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสามทางเลือกของของใจของพวกเราที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปจะไปอบายก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้แล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต่อไปหรือจะไปนิพพานก็คือที่ที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือสามทางเลือกที่เราสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ฟังธรรมนี้เราจะไม่รู้ทางเลือกเหล่านี้เลยเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่นักจิตศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้า อย่างผ้าหันตสาวกอย่างพวกนักบวชทั้งหลายนี่เขาสามารถพิสูจน์ได้เพราะเขามีเครื่องมือในการพิสูจน์เรื่องของเรื่องของจิตวิญญาณว่าเป็นอย่างไรว่าจะไปไหนจะไปสูงไปต่ำหรือจะไปแบบไม่กลับมาเลยนะเขาสามารถพิสูจน์ได้เครื่องที่เขาใช้ในการพิสูจน์นี้เราเรียกว่าการปฏิบัติจิตภาวนานี่เอง คือการเจริญสตินั่งสมาธิดึงใจให้เข้าข้างในดึงใจให้ออกจากร่างกายชื่อขา่าวให้ใจแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็จะได้เริ่มเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายด้วยใจเรายังอยู่ต่อไปใจเราจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราได้ทําเอาไว้ หรือไปนิพพานก็เกิดจากการที่เราได้ชำระจิตใจของเราให้ปราศจากความอยากต่างๆได้เราก็ไปนิพพานไปที่จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเกต่อไป <c oughs> นี้ก็คือเรื่องของสมาทิฏิที่เราจะได้จากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราได้รู้แล้วว่าใจของเราที่อยู่กับร่างกายตอนนี้ วันหนึ่งข้างหน้าก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไปเพราะเมื่อร่างกายตายไปแล้วใจก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณแล้วใจก็จะไปรับผลบุญผลบาปหรือไปนิพพานแล้วแต่ว่าเราขณะนี้เราจะทำเราจะเลือกไปในทิศทางไหนได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องเลือกทางไปนิพพานกัน หรือถ้าเรายัางไปนี่ผ่านไม่ได้เราก็ต้องเลือกทางไปสวรรค์ก่อนแต่เราจะพยายามปิดประตูบายให้ได้นี่ก็คือที่มาของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะมาสอนทางเลือกสามทางให้กับพวกเราไปเลือกทํากันทางเลือกที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทาบาปทั้งปวง เพราะการกระทำบาปจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดในนรกในอบายกันถ้าเราไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดในนรกในอบายเราก็ต้องพยายามละการกระทำบาปด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์และละเว้นการเสพอบายมุขต่างๆศีล <c oughs> ห้าก็คือการฆ่าสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในการมการไม่พูดปดและการไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆ แล้วก็รวมไปถึงอบายามุข ค, คือไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืน <c oughs> ไม่ไม่เกลียดค้าน <c oughs> ไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นิ <c oughs> นี่คือการกระทาที่เราต้องพยายามเลิกให้ได้ถ้าเรายังทำกันอยู่เพราะมันจะส่งผลเสียต่อดวงวิญญาณของพวกเรามันจะเป็นผู้ที่จะฉุดลากดวงวิญญาณของเรานี้ให้ไปสู่อบาย ตอนที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติในอบายออกจากอบายมาก็ามาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มามีนิสัยเดิมติดมานิสย ba, mm. ัยชอบทำบาปก็จะกลับมาทำบาตต่อนิสย ura, ัยชอบดื<ๆ>่มสุราก็จะกลับมาด<ๆ>ื่มสุราต่อชอบเล่นการพานันก็จะมาเล่นการพานันต่อชอบเที่ยวกลางคืนก็จะกลับมาเที่ยวกลางคืนต่อมาทำบาตต่อไป แล้วพอตายไปก็ไปรับผลบาปในอบายแล้วจนกว่าผลบาปจะหมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบาปใหม่มาเสพอบายามุกใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเราก็เพียงแต่มาถือศีลห้าและละการเสพอบายามุกท่านั้นเองเราก็สามารถปิดประตูอบายได้แล้วถ้าเราอยากจะ ไปสวรรค์ชั้นต่างๆนอกจากการไม่ทำบาปแล้วเราก็ต้องมาทำบุญเพิ่มด้วยเพราะถ้าเราไม่มาทำบุญเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้ทำบาปตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ทันทีไม่ต้องไปรับผลบุญไม่ได้ไปรับผลบาปแต่ถ้าเรายังอยากจะมีความสุขจากการไปรับผลบุญไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้ามีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องพยายามทำบุญกันให้มากๆนี่คือข้อที่สองทางเลือกที่สองทางเลือกที่หนึ่งเราต้องปิดประตูบายด้วยการไม่ทำบาลด้วยการรักษาศีลห้าด้วยการละเว้นจากการเสพอบายามุขต่างๆแล้วเราก็มาเพิ่มการกระทำบุญมีเงินมีทองมีข้าวขคาะมีเงินทางเหลือกินเหลือใช้อย่าไปใช้กับการเสพ รูปเสียงกิ่รสเพราะมันจะเป็นตัวที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยพยายามตัดตัวนี้ลงไปเอาเงินมาทำบุญทาทานแทนแล้วจำนวนของการเวียนว่ายตายเกิดก็จะน้อยลงไปแล้วขณะที่เวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติตายไปก็ไปอยู่ในสวรรค์พอลงจากสวรรค์มาก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทาบุญทาทานใหม่ มาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุดใหม่เ <Yeah. S 1> บื้องต้นก็ทำบุญทำทานก่อนแล้วพอเราทำบุญทำทานแล้วใจเราจะมีความสุขจะมีกำลังที่จะไปต่อสู้กับการละความอยากต่างๆ <Yeah. S 1> เราก็จะสามารถไปชำระจิตใจให้สะอาด <Yeah. S 1> บริสุดต่อไปได้เ <Yeah. S 1> บื้องต้นก็ปิดประตูบายด้วยการรักษาสีลแล้วก็ <c oughs> ทำบุญเพื่อเปิดประตูสวรรค์ขึ้นมาเมื่อเรามีความสุขจากการทําบุญใจเราก็จะมีกําลังที่จะไปปฏิบัติชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการไปปฏิบัติเนคขมมะคือการไปละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลเนคขมมะศีลเนคขมมะก็คือศีลแปดนี่คำว่าเนคขมมะนี้แปลว่าการออกจากกาม การไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นญาติโยมที่มาอยู่วัด น, นุ่งขาวหองขาวนี้เรียกว่ามาปฏิบัติเนคขมมะมาถือศีลเนคขมมะกันคือเป็นศีลห้าบวกกับศีลเนคขมมะศีลเนคขมมะก็คือไม่หาความสุขจากการเสพกามเช่นไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับแฟนของเราไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไป ให้รับประทานอาหารแบบกินยาให้ยากับร่างกายแต่ไม่ให้รับประทานตามความอยากต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากมหัศรศบันเทิงไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนบนเรียงที่สาําราญมีพูกนั้นนะนอนสบายเพราะมันจะนอนมากเกินไป แล้วมันจะทําให้ไม่มีเวลามาให้กับการชําระขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ <c oughs> อันนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องทํากันถ้าเราอยากจะมาแก้ปัญหาชีวิตของพวกเราปัญหาที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆบางทีก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายบ้างบางทีก็ไปเวียนว่ายตายเกิดในสุคติบ้างแต่ยังไปไม่ถึงนิพพานยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราอยากที่จะไปให้ถึงนิพพานให้ได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่การถือศีลก่อนรักษาศีลห้าละเว้นการเสบบา ย, ยมุข <c oughs> เพื่อปิดประตูบายแล้วเราก็มาเปิดระตูเปิดประตูสวรรค์ด้วยการทำบุญทาทานตามโอกาสตามกำลังของเรามีมากมีน้อยไม่เป็นไรทำได้เปิดประตูสวรรค์ได้ทุกคน มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินว่าจะต้องเป็นกี่หมื่นกีพน่พันกี่แสนเพราะกำลังของแต่ละคนนี้มันไม่ไม่เหมือนกันคนที่ทำร้อยอาจจะได้บุญเท่ากับคนที่ทำทำหมื่นก็นได้เพราะอยู่ที่ทรัพย์สินสมบัติที่มีอยู่ว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากก็ต้องทำมากถึงจะได้บุญเท่ากับคนที่มีน้อยที่ทำน้อยเช่นคนที่มีพันหนึ่งทำทร้อยหนึ่งนีก็เท่ากับทำร้อยละสิ แต่คนที่มีแสนหนึ่งนี่ถ้าอยากทำน้อยละเศษนี้ต้องทำามื่นหนึ่งเพราะว่ากำลังเขามีมากกว่าความรู้สึกที่จะได้จากการทำบุญของเขานี้เขาจะได้มากเท่ากับคนที่ทำทำเงินที่มีเงินน้อยกว่าเพราะว่ามีทรัพย์สินสมบัติไม่เท่ากันต้องดูที่สัสดส่วนหรือน้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์สินที่เราทำไป คนสองคนทําร้อยละสิบแต่จํานวนเงินนี้อาจจะไม่เท่ากันแต่ได้ความสุขใจได้สวรรค์เท่ากันคนที่มีหมื่นทําร้อยละสิบก็ทํำไปพันหนึ่งคนที่มีแสนทําร้อยละสิบก็ต้องทํำหมื่นหนึ่งถึงจะได้สวรรค์ชั้นเดียวกันดังนั้นคนที่มีน้อยไม่ต้องไปดูตัวเลขว่าคนที่เขาทาเป็นหมื่นเป็นสแสนเราอาจจะทําเพียงสิบบาทหรือร้อยบาทเราก็จะได้บุญเท่ากับคนที่เขาทําเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้ ทุกคนสามารถเปิดประตูสวรรค์ได้ด้วยกันทุกคนแม้แต่ข้าวทัพพีเดียวนี้ก็เปิดประตูสวรรค์ได้เป็นการเสียสละแบ่งปันเป็นการทำบุญทาทานตามกำลังของเรา <c oughs> นี่คือการเปิดประตูสวรรค์ถ้าเราอยากจะไปไปนิพพานเราต้องผ่านประตูสวรรค์ก่อนเปิดประตูสวรรค์ไปพอเราเข้าสวรรค์ได้แนละ้วเราก็จะมีกำลังมีความสุขใจที่จะไป ต่อสู้กับกิเลสคือความอยากต่างๆได้คนที่ทําบุญแล้วนี่จะเข้าวัดไปปฏิบัติทําได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญคนที่ไม่รักษาศีลนี้จะไม่ค่อยชอบเข้าวัดจะไม่ค่อยชอบทําบุญเท่าไหร่แต่คนที่รักษาศีลได้คนที่ไม่เสพอบายามุข ค, คนที่ทําบุญทําทานก็จะมีกําลังที่จะไปอยู่วัดไปปฏิบัติในขัมมะได้ไปถือศีลแปด เพื่อเพื่อละการเสกความสุขทงางตาหูจมูกร่างกายเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นเลิมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพราะความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้มันวิเศษกว่าเลิศกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นเลิดังนั้นก่อนที่เราจะไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องสร้างเครื่องมือก่อนก็ เครื่องมือที่จะทำให้เราใบหยุดความอยากต่างๆได้ก็คือการฝึกฝึกสมาธินี่ทำจิตใจให้นิ่งให้สงบพอเมื่อจิตใจเรามีความนิ่งมีความสงบแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็สามารถพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นโทษของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสการเสพการว่ามันเป็นทุกข์เพราะการมาคุณห้ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนถาวร เป็นของที่ได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็อา จ, จะหมดไปก็ได้เช่นคนที่หาความสุขจากการมีคู่ครองเวลาได้คู่ครองมาก็จะมีความสุขอยู่กับคู่ครองไปแต่วันใดวันหนึ่งคู่ครองก็อาจจะต้องจากไปพอมีการจากกันไปตอนนั้นความสุขที่ได้จากคู่ครองก็จะหายไปและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจตามมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจ เปรียบเทียบระหว่างความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสเัความสุขที่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันความสุขที่ทำใจให้สงบงรับความอยากต่างๆได้นี้เป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไป เพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเป็นอนิจจังเมื่อมันเป็นอนิจจังมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์เกิดทุกขังขึ้นมาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ใช่เป็นของของใครเขาเป็นของธรรมชาติที่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นด้วยปัญญา ถ้าเรามีกำลังของสมาธิเราก็จะสามารถที่จะเลิกการเสพเลิกความอยากที่จะเสพรวงเสียงกลิ่นลดได้พอเราเลิกความอยากเสพได้ใจที่วุ่นวายใจที่ไม่มีความสุขก็กลายเป็นใจที่สงบนิ่งเยน็นสบายเป็นความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรเลยเพียงแต่หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเท่านั้นเองอันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะกำจัดความอยาก ที่มีในใจของเราให้หมดเส้นไปทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ได้เรื่อยๆก็คือการปฏิบัติสมาธิและการเจริญปัญญาตามลำดับเบื้องต้นต้องเจริญสมาธิให้ได้ก่อนต้องทำใจให้สงบให้มีความสุขให้ได้ก่อนก่อนถึงจะก่อนที่จะไปเจริญปัญญาพิจารารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว แต่วันใดวันหนึ่งจะต้องมีการสูญเสียไปมีการพัดภาคจากกันเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดภาคความทุกข์ก็จะเข้ามาที่ใจเพราะามันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราห้ามบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่า น, นี้เราก็ห้ามใจแล้วห้ามความอยากของเราถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีกำลังที่จะห้ามความอยากของเราได้เพราะเราบอกว่าเราไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้เราก็อยู่ได้ เวลาเราเข้าสมาธิใจเราก็มีความสุขได้ทำไมเราจะต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะให้ความที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปมาให้ความสุขกับเราทำไมนี่คือการเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไดรลักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้มาตัดความอยากนี้ด้วยกาลังของปัญญาและกาลังของสมาธิ ถ้เรามีสมาธิเรามีความสุขเรารู้ว่าเราอยู่โดยที่ไม่มีสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้พอเรารู้พอเรารู้ว่าการมีสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะทําให้เราทุกข์เราก็จะหยุดความอยากไปหาสิ่งต่างๆได้เลิกเลิอกอยากได้เลือกได้ด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์ มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่สามารถครอบครองให้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วมีกำลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเวลาเราเกิดความอยากเราจะไม่รู้สึกทรมานใจเราสามารถหยุดความอยากได้ด้วยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปต่อไปความอยากต่างๆที่เคยมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจของเรามันก็จะหมดไป ถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากที่เคยมาเคยมาลบกวนใจเรามันก็จะหายไปต่อไปก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่สงบเป็นใจที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเป็นใจที่มีความสุขในตัวของมันเองเรียกว่าปรามังสุขขังนิบานังปรามังสุขขังจิตที่จิที่ปราศจากความอยากนี้เป็นบรมสุขจิตที่ปราศจากเป็นบรมสุขเราเรียกว่านิพาน นิพพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ที่ที่นู่นที่นี่แต่เป็นใจของเรานี่แหละที่เราได้รับการพัฒนาจากการปฏิบัติจากการรักษาศีลละการกระทาบาปจากการทำบุญทาทานแล้วก็จากการภาวนาจากการชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ด้วยการเจริญปัญญาตามลำดับ ก็จิตใจของเราก็าาจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขเรียกว่าบรมมาสุขแล้วใจที่มีบรมมาสุขนี้ก็จะไม่มีความหิวที่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหล็กต่อไปเมื่อไม่มีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพัชชนิดต่างๆใจก็เลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาครอบครองร่างกายไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกต่อไป นี่แหละคือทางเลือกที่พระเจ้าส่งสอนให้พวกเราเลือกกันข้อแรกก็คือเลือกเลือกปิดประตูาบายก่อนด้วยการไม่ทําบาลด้วยการไม่เสพบาบา ย, ยามุ่แล้วข้อที่สองพอปิดประตูาบายได้แล้วเราให้มาเปิดประตูสวรรค์กันด้วยการมาทําบุญทําทานกันตามกําลังของเรามีมากมีน้อยก็ทําไปแล้วพอทําบุญได้เปิดประตูสวรรค์ได้เราก็สามารถที่จะ เข้าไปชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยการรักษาสีนแปดด้วยการเจริญสตินั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญา mm hmm. เมื่อเรามีการปฏิบัติทำอย่างต่อเ น, นื่อง mm hmm. ไม่ละเว้นไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วจิตใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. เมื่อบริสุทธิ์แล้ว การที่จะกลับมาวิยไว่ายตายเกิดก็หมดไปการที่จะต้องมาหลั่งน้ําตาด้วยความเศร้าโศากเสียใจเวลาที่เรามาเกิดก็จะหมดไปนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่พวกเราจะได้ยินได้ศึกษาได้เรียนรู้จากการสังเทศฟังธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยาทาวาเววาหาปูราปาริปุเรนเสาคะลังเอวามวาเอตุทินางเปตานังอุ ป, ปกปติ <c oughs> อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาภระาสยทามณีโชติภราสยทาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพะโรคูวินัสตุมาเตภวะตะวันตะลายสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนศีริสานิจจังุทธาปะจายิโนุจตารุธรมมาวาทานเต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 วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสา้อยี่เกพระสุชาติไลฟ์สาอเจ็ดสิบยูทูบด็อรวชนิบคนวิทยุออนไลน์สิบสามลับเฮ์หผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิหนึ่ง้เก้าสบ็ดท่านรวมทั้งหมดเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับ mm hmm. การนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะก่อนหน้านี้ได้มาถามคำถามพระอาจารย์เมื่อประมาณต้นปี67เจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ไปดูความอยากซึ่งหนูก็ไปเห็นว่าตั้งแต่ตื่นมามีแต่ความอยากกับไม่อยากเจ้าค่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูห้องพุโทโธทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนั่งสมาธิครั้งแรกตั้งแต่ปี59เกิดมีสภาวะที่เป็น ตัวหายแต่ว่าลืมตาเจ้าค่ะหลังจากนั้นหนูก็ทํามาเรื่อยๆมีความเพียรมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปเรียนครูสมาธิแล้วนั่งสมาธิติดต่อเนื่องกันเป็นเวลาตั้งแต่ก่อนโควิดเจ้าค่ะจนปัจจุบันเจ้าค่ะหลังจากที่พระอาจารย์ให้ไปดูความอยากหนูหนูก็ดูแล้วก็เห็นความรู้สึกมันมีแต่ความทุกข์อะค่ะเห็นอยากไม่อยากอยากไม่อยากทั้งวัน แล้วก่อนหน้านี้นนค่ะก็ได้ไปเจอพระอาจารย์สามดงก็เลยขอโอกาสถามท่านในช่วงนั้นคือสภาวะธรรมที่เห็นก็คือมีความรู้สึกว่าความคิดนี่คือเป็นสูุไทยแล้วก็เลยบอกท่านว่าทํายังไงดีหนูนี่ไปทำสมาธิตลอดเพราะว่าวันทั้งวันนะท่องแต่พุโทโธพะพุทโทหายเนี่ยจะมีกายแสักขี่ขึ้นก็จะเห็นกายกับจิตแยกกันทํางานตลอดเวลาเดินความรู้สึกที่เห็นก็คือจะเป็นความรู้สึก เหมือนเป็นฟองน้ำมีรูพุนทั้งร่างกายรับถึงความรู้สึกร้อนเย็นทั่วไปหมดแต่ใจเนะี่ยนิ่งว่างแล้วก็ไม่สะทกสะท้านเลยเจ้าค่ะหนูวาอุเบกขายานจนครั้งหนึ่งนั่งสมาธิเห็นตัวรู้กับไม่รู้รู้ไม่ ร, มรู้อยู่ตลอดจนหนูนั่งทำงานเทียบงานปุ๊บความรู้สึกที่เห็นรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้หนูเห็นจนเฉยๆแล้วก็ทุกอย่างดับพึบลงกับตาเจ้าค่ะพออีกหนึ่งขณะจิตเจ้าค่ะ หนูก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีแล้วก็ลืมตาอยู่เนี่ยเห็นคนผ่านที่สนามบินหนูทํางานที่สนามบินนะเจ้าคะ่ะความรู้สึกข้างในกับข้างนอกคือไม่มีเราไม่มีเขาเหรอคะ่ะวันนั้นทั้งวันนั่งทํางานการเดินไปมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเดินแล้วก็ตัวลอยทั้งวันเดินไปแล้วก็ไม่หลับเลยเจ้าคะ่ะสมาธิมันแน่นมากเจ้าค่ะจนสุดท้ายมีโอกาสได้ไปถามหลวงพ่ออินทวายเจ้าค่ะท่านก็ให้คําแนะนําผ่าน พระอาจารย์เชียงเจ้าค่ะพระอาจารย์เชียงบอกว่าให้ไปดูเห็นจิตที่มันว่างเจ้าค่ะความเหตุจิตที่ว่างหรือใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนวันนั้นคือกวาดใบไม้อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ยินคําว่าวิชาท้องฟ้าเจ้าค่ะด้วยกําลังสมาธิที่มันถึงเวลาว่ามีการแผ่ฌานออกไปคือหนูให้ทุกอย่างให้หมดให้ทุกอย่างสรรพสิ่งที่รอบตัวเจ้าค่ะ แผ่ไปสามสี่รอบเจ้าค่ะหลังจากนั้นคือตัวจิตที่ว่างคือมันรวมเข้ากับาธาตุธรรมชาติภายนอกแล้วก็ภายในทั้งหมดคือไม่มีเราไม่มีเขาแล้วก็เจอความว่างที่ไร้ตัวตนค่ะในปัจจุบันคือใช้ก็อยู่กับจิตที่เป็นาธาตุธรรมชาติช่วงเวลาที่ที่หนูไม่รู้นะเจ้าค่ะแล้วพอหนูรู้ขึ้นมาหนูก็หมดคำถามแล้วก็มันบอกกับตัวเองว่ามันไม่มีอะไรต้องทาแล้วเจ้าค่ะ หลังจากนี้ก็คือได้มาบาลานอยู่กับโลกที่ยังทํางานอยู่แล้วก็ยังเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอยู่ที่สนามบินหลังจากที่มีพุทโทได้พุทโทแล้วก็ลูกควรจากพูดโทเจ้าค่ะหนูก็ปภาวณาตลอดชีวิตที่จะถวายการดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์สายหลวงตามหาบัวที่สนามบินเจ้าค่ะเลยกราบถวายการปฏิบัติดูชาแก่อาจารยา์ยาหลวงพ่อสุชาตแล้วก็ถวายการปฏิบัติเป็นธรรมทานให้แก่ทุกๆท่าน คำถามจากโยมกหนกนาฏค่ะดิฉันเพิ่งสูญเสียสามีไปแบบกระทันหันด้วยวัดเหตุดิฉันไม่มีลูกทีฉันทําใจไม่ได้ออกจากความทุกข์ใจความอะไรอววรไม่ได้เลยจนต้องป่วยตลอดขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ว่าดิฉันควรทําอย่างไรค่ะควรทําใจให้สงบให้ได้ พยายามฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิบ่อยๆหยุดความคิดอดีตมันผ่านไปแล้วคิดไปก็ทําให้เราเศร้าเปล่าๆคิดถึงสามีอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงงัพยายามรักษาจับปัจจุบันของเราให้นิ่งให้สงบอย่าไปเกิดความอยากกับเรื่องราวต่างๆอย่าไปอยากให้อดีตที่มันผ่านมาแล้วมันกลับมาอีกมันไม่กลับมาแล้วคนตายก็ตายไปแล้วออื ให้เราอยู่ในปัจจุบันปล่อยวางด้วยการทำใจให้สงบฝึกส ต, ตินั่งสมาธิบ่อยๆก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาต่อไปหลังจากที่ได้สมาธิแล้วสอนให้เราพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้อยากถ้าได้มาแล้วมันจะต้องเสียใจเหมือนกันได้สามีมาแล้วสามีก็ไม่ใช่เป็นของเราเขาเป็นของไม่เที่ยงพอแต่เวลาเขาก็ตายจากเราไป พอเราสูญเสียเขาไปเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้ว่าจากเราต่อไปนี้เราต้อง อ, อันนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปนี้อย่าไปอยากได้อะไรอยากแล้วมันจะทุกข์ในไม่ช้าก็เร็วอย่าให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ํารอยให้เรียนจากความความทุกข์ของเราให้เข็ดอย่าไปอยากได้อะไรให้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอ คำถามจากผู้รับฟังน้กกุฏิค่ะกลับขอเมตตาถามพระอาจารย์สุชาติครับมีท่านหนึ่งสอนกรรมฐานให้พิจรารณากายในกายจิตในจิตในการเจริญสติปัฏ ฐ, ฐานในลักษณะนี้คือการดูกายให้ดูร่างกายเป็นเพียงธาตุสีแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญคือให้ย้อนเข้ามาดูกายในกายของตนเองเป็นสุญญาตาหรือความว่างเปล่าข้อ 2. การดูจิต การดูจิตในจิตคือให้ย้อนเข้ามาดูจิตที่ตั้งอยู่ที่หัตยวัตถุซึ่งอยู่บริเวณกลางอกของตนเองให้เป็นสุญญตาความว่างเปล่าให้ฝึกทำแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆอยู่เป็นประจำแล้วจะถึงพระนิพานได้พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังประมังสุญญังอยากถามว่าคำสอนให้ดูกายในกายและดูจิตในจิตให้เป็นสุญญตาความว่างเปล่าอยู่เป็นประจำในลักษณะนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับเพราะท่านไม่ได้สอนให้ดูกายและจิตแสดงไตรลักษ์เลยขอบคุณครับก็อนัตตาก็เป็นไายลักอยู่แล้วอนัตตาก็คือปัสกาจตัวตนทีนการที่เราจะไปดูกายดูจิตได้นี่เราต้องมีกำลังก่อนมีสติมีสมาธิหยุดใจเราไม่ให้ไปอยากกับกายไม่ให้ไปอยากกับจิตให้ได้ก่อน ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะหยุดได้เวลาไปเห็นกายเเดี๋ยวมันก็อดที่จะอยากไม่ได้ขึ้นมาอยากให้เป็นของเราอยู่กับเราเป็นนานอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี mm ่ย hmm. ถ้าอยา่างนี้มันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเฉนั้นก่อนที่เราจะไปดูจิตดูกายเพื่อปล่อยวางกายปล่อยวางจิตนี้เราต้องมีสติมีสมาธิก่อนจิตตรงนัได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาก่อน ยังจะมีกําลังที่จะไปดูจิตดูกายแล้วก็ปล่อยวางจิตปล่อยวางกายได้หมดแล้วเยคำถามจากคุณเปลี่ยนลูกไม่ได้วิ่งหนีออกจากบ้านในวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวตอนนั้นไม่ได้กลัวและรู้ว่าถ้าคนเราถึงคราวก็จะตายอยู่ที่ไหนก็ตายแบบนี้เรียกว่าเป็นการประมาทเกินไปไหมครับ ไม่หรอกแสดงว่าเราสติปัญญาเราดีสติสติรู้ทันปัญญารู้ทันและรักษาจิตให้นิ่งให้สงบได้สิ่งเดียวที่เรารักษาได้ก็คือจิตของเราส่วนร่างกายของเรานี่เรารักษาไม่ ไ, มได้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแก่ความตายแต่สิ่งที่เรารักษาได้ก็คือใจของเราอย่าให้ใจเราทุกข์กับเหตุการณ์ตา่างๆแสดงว่าเราก็รู้จักควบคุมจิตใจของเราแต่อาจจะยัง ยังไม่แน่นะถ้าเราเจอมันสั่นมากกว่านี้ดูซิว่าจะถ้าจะเจอสันน่นนิดหน่อยอถ้าไปอยู่ใกล้ๆตึกท่ลมนี่ดูที่ยังจะสั่นอยู่หรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณบ s i อที่เรียกพระสงฆ์ว่าเป็นพระเกจิความหมายคืออะไรครับใช้สำหรับเรียกพระอริยสงฆ์หรือไม่ครับ ก็เป็นคำทั่วไปเนะี่ที่เรายกย่องผู้ที่เป็นอาจารย์ที่เป็นระดับเกจิก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้ของท่านไม่ใช่เป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นมือใหม่หัดขับถ้ายังเป็นอาจารย์ใหม่ๆยูเ่เราเียกเาอาจารย์แต่ถ้าเป็นอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงมีคนนับถือมากๆเรา ก, ก็เรียกว่าเป็นเกจิคำถามต่อไปจากคุณส้มเวลาจะนอนรู้สึกว่าจิตตื่นครับ อยากจะลุกขึ้นมานั่งภาวนาแต่พอวลาลุกขึ้นมานั่งภาวนาแล้วก็กลับง่วงนอนมานั่งหลับควรแก้ไขอย่างไรครับก็ถ้ามันตื่นก็อย่าไปอยากหลับมันจะได้ไม่ทุกข์ก็ภ า, าวนาในขณะท่านอนไปก็ได้ไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งภาวนาก็ได้เดี๋ยวภาวนาไปทักพักเดี๋ยวมันก็จะหลับเองแต่อย่าไปอยากให้มันหลับอย่าไปอยากให้มันไม่ตื่นเวลามันตื่นก็ปล่อยมันตื่นไป เวลามันจะหลับก็ปล่อยมันหลับไปเชิญก่าวน้ำสการ์ค่ะพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมจนบรรลุนิพพานจำเป็นต้องศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ไหมคะถ้าศึกษาบ้างแต่เลือกปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่พ้นแล้วจะเป็นการเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งโดยปริยายใช่ไหมคะพระอาจารย์ พระเจ้าแสดงสูตรเดียวก็บรรลุได้เนอนแสดงธรรมจักกับปวัฒนสูตรให้กับพระบัญจรวิคีนี้หนึ่งในพระบัญจวิคีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะพอแสดงพระสูตรอันที่สองคืออนัตตลักษณสูตรพระบัญจรวิคีทั้งห้าก็บรรลุเป็นพระหานันได้แล้วแสดงว่าสองสองสูตรก็พอไม่ต้องไปเรียนทั้งพระไตรปิฎกให้เสียเวลาเพราะมันซ้ํากันมันซ้ํากันในลักษณะต่างกันมันพระเจ้าทรงแสดงรายละเอียดแยกแยกไป แต่พสูตร ห, หลักๆที่ทำให้บรรลุก็คืออนัตตลักษณะสูตรกับธรรมจักรกับปรรคณะสูตรท่านี้ก็พอแล้วคำถามต่อไปจากคุณนาวินขอความเมตตาพระอาจารย์บอกวิธีเจริญปัญญาว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยครับ อ, อนิจจังก็บบ ว, ว่ามันมุกทองชั่วคราว เ, เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไป ขันห้างเช่นร่นางกายของเราก็เป็นหนึ่งในขันห้าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจบ็บต้องตายไปอันนี้จังถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตายมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาจะเกิดเขาจะแก่เขาจะเจบ็บเขาจะตายเราก็ต้องรับรู้ไปยอมรับความจริงไปอย่าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจบ็บไม่ตายใจเราก็จะไม่ทุกข์ การปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ใจเท่านั้นเองเราไปดับขันห้ามไม่ได้เราไปห้ามขันห้ามไม่ให้มันดับไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปตามธรรมดาคําถามต่อไปจากคุณนิรุตหากว่าเราอยู่ในช่วงอารมณ์โลภโกรธหลงหรือมีกิเลสอยู่ในใจถือว่าช่วงนั้นเรากําลังขาดสติอยู่ใช่หรือไม่ครับก็เป็นได้เพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วใจมันก็จะโลภจะอยากขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันหายโลภก็ดึงสติกลับมา พูดโทรพูดโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งความรล้ความอยากมันก็จะหยุดไปคำถามต่อไปจากคุณภูมิ ภาวนาทำความรู้สึกกายรู้สึกใจใจหลงไปในราคะโทสะโมหะโลภะก็คอยรู้ทันใจหลงไปในกายก็คอยรู้ทันระหว่างวันคอยรู้สึกตัวทั่วพร้อมหลงบ่อยเมื่อเพ่งบังคับใจครับใช้การพิจารณากายอสุภะที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมครับถ้ามันดับความทุกข์ใจได้ก็ถูกต้องปัญหาของเราอยู่ที่ความทุกข์ใจ ถ้าเราไปทุกข์กับร่างกายเราก็ต้องหาวิธีดับมันให้ได้ทุกข์ใจเราก็ต้องดับมันให้ได้คํถาถามต่อไปจากคุณชัยสรรค์ถ้าสมาธิไม่รวมลงเป็นหนึ่งเมื่อออกจากสมาธิจะมีกําลังเจริญปัญญาไปถึงขั้นเป็นพระโสดาบันได้ไหมครับยังไม่ถ้ายังไม่เต็มร้อยมันก็จะหยุดกิเลสไม่ได้เต็มร้อยต้องหยุดให้ได้เต็มร้อยก่อนสมาธิให้ได้เต็มร้อยก่อน ถ้ามนก็จะมีกำลังที่จะหยุดกิเลสได้เต็มร้อยคำถามต่อไปจากคุณปนิตาถ้าไม่ได้ใช้คำภาวนาในชีวิตประจาวันแต่ใช้การนับตัวเลขแทนได้ไหมครับก็ลองทำดูว่ามันทำให้เราไม่คิดตรงแต่งได้หรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณป๊อกกี้การนึกทบทวนสิ่งที่ทำในชีวิตประจาวันในขณะทำความสงบ ว่าสิ่งใดที่เราพลาดพลัง้งทำไม่เหมาะไม่ควรแล้วสํานึกว่าจะไม่ทําอีกพอจะทําแบบนี้ได้ไหมครับไม่ควรทําในขณะที่เราทําสมาธิเวลาทําสมาธิเราไม่ต้องการคิดอะไระเวลาทําสมาธิให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวหรือดูลมไปอย่างเดียวให้จิตนิ่งสงบส่วนการจะทบทวนนี่รอทําเวลาที่เราไม่ได้ทําสมาธิอันนี้เราไปทําอะไรผิดพลาดมาเนี่ยแล้วก็ พิจารณาแล้วก็เตือนตอนนี้ว่าต่อไปอย่าทำอีกานะี้อะไรเป็นต้นแต่อยธาทำในขณะที่ทำสมาธิเวลวที่ทำสมาธิต้องการหยุดความคิดคำถามต่อไปจากคุณอมพรเราไปร่วมทำบุญกับญาติแต่ไม่ได้ร่วมเงินซื้อของถวายอาหารพระเราจะได้บุญไหมครับเราไม่ได้บุญจากการทำทานแต่เราจะได้บุญจากการอนุโมทนายินดีกับการทาบุญของเขา เป็นคนบุญคนละชนิดกันคำถามต่อไปจากคุณอภัยทานการสูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวพร้อมกันเช่นการแผ่นดินไหวการระลึกเรื่องภิกษุณีปถาจราและใช้เป็นข้อธรรมสอนใจผู้สูญเสียจะช่วยได้ไหมครับเรื่องลูกตายพร้อมกันของภิกษุณีปถาจราเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าเราเอามาใช้ดับความทุกข์ใจเราได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็ใช้ได้ดับไม่ได้ก็ให้พิจารณาอนิจจังจะดีกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเสร็จแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาคาถามต่อไปจากคุณเปลี่ยนการฝึกสติในการดูลมหายใจเป็นสิ่งที่ควรทําทั้งวันใช่ไหมครับการฝึกสตินี้ถ้าจะดูลมหายใจนี่ ดูได้ตอนที่เรานั่งสมาธิมันจะดูได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิเรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆให้ดูการเคลื่อนไหวหดูการกระทำของร่างกายแทนเป็นการสุขสติเหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณจรัญญาขณะที่เราดำเนินชีวิตประจำวันพบว่าเดี๋ยวก็มีอารมณ์โกรธเดี๋ยวก็มีความโลภก็รู้ตัวคือกิเลสโลภโกรธหลงนี้จะเกิดในจิตในใจเราตลอดเลยใช่ไหมครับเราต้องรับมืออย่างไรครับก็ฝึกสตินั่งสมาธิให้มากให้จิตนิ่งบ่อยๆแล้วโลภโกรธหลงมันก็จะมีน้อยลงไปถ้าไม่มีสมาธิเลยนี่มันจะ มันจะมีกําลังมากกิเลสมันจะมีกําลังมากถ้าเราเข้าสมาธิบ่อยๆมันจะตัดกําลังของสของกิเลสได้ดีแล้วใจะกิเลสจะมีน้อยแล้วเวลามันเกิดเราก็จะหยุดมันได้ง่ายกว่าั้นพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆให้จิตรวมบ่อยๆคําถามหมดแล้วครับมหมดแล้วนะเวลาแคหมดพอดีสําหรับวันนี้ขอท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิจารณาไปปฏิบัติ